นางวิสาขามิคารมานดาตําหนิพระอุทายีสมัยนั้นนางวิสาขามิคาระมานดามีบุตรหลานมากมีบุตรหลานล้วนไม่มีโรคได้รับยกย่องว่าเป็นมิ่งมงคลพวกชาวบ้านเชิญ น, นางวิสาขาไปบริโภคเป็นคนแรกในงานบุญงานมหรสพงานฉลองนางวิสาขามิคาระมานดาได้รับเชิญไปสูตระกูลนั้นนางได้เห็นท่านพระอุทายีนั่งบอันะที่กำบังในที่ลับ พอจะทําการได้กับหญิงสาวครั้นเห็นแล้วจึงกล่าวกับท่านพระอุทายีว่าพระคุณเจ้าการที่ท่านนั่งบนอัศนะที่กําบังในที่ลับพอจะทําการได้กับมาตุคามสองต่อสองอย่างเช่นนี้ไม่เหมาะสมไม่สมควรท่านไม่ปรารถนาด้วยธรรมนั้นก็จริงถึงอย่างนั้นชาบ้านที่ยังไม่เลื่มอมใสก็ทําให้เชื่อยากท่านพระอุทายีแม้ถูกนางวิสาขาว่ากล่าวตัเกเตือนก็ไม่เชื่อ นางวิสาขาจึงออกไปบอกเรื่องนั้นให้พิสุททั้งหลายทราบบรรดาพิสุทผู้มักน้อยสันโดษพากันตนําหนิประนามโพนทนาว่าฉะนั้นท่านพระอัจฉรย์จึงนั่งบนอัศนะที่กำบังในที่รับพอจะทําการได้กับมาตุคามสองต่อสองเล่าท่านพิสุทั้งหลายตําหนิท่านพระอัจฉรย์โดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้กราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ